อธิกรณ์สี่อย่างคือวงเล็บหนึ่งวิวาธาธิกรณ์สอนุวาธาธิกรณ์สาปัตตาธิกรณ์สกิจจาธิกรณ์คําว่าแม่เจ้าโปรดมาช่วยระ ง, งับอธิกรณ์นี้ด้วยเถิดความว่าเชิญแม่เจ้าไปช่วยวินิจฉัยคดีนี้ด้วยเถิดคําว่าภายหลังภิกษุนีนั้นผู้ไม่มีอันตรายคือเมื่อไม่มีอันตรายคําว่าไม่ช่วยระ ง, งับคือ ไม่ระ ง, งับด้วยตนเองคำว่าไม่ควนขวายให้ผู้อื่นช่วยระ ง, งับคือไม่สั่งผู้อื่นเมื่อทอดทุระว่าเราจากไม่ระ ง, งับจะไม่ขวนขวายให้ผู้อื่นช่วยระ ง, งับต้องอาบัติาจิตตี